การปฏิบัติธรรมนะกับการใช้ชีวิตเนี่ยเปน็นอันเดียวกันถ้าเรายังรู้สึกว่าเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติเวลานี้ไม่ต้องปฏิบัติเนี่ยเรายังไกลกับธรรมะมากเลยไกลต่อมรรคผลแต่ไม่ใช่หมายความว่าต้องปฏิบัติจนไม่ทำมาหากินนะไม่ใช่เวลาที่เราทำงานที่ต้องคิดเนี่ก็ให้จดจ่ออยู่กับงาน มีสติมีสมาธิมีปัญญาอยู่กับงานนะแต่เวลาที่เหลือยกเว้นเวลาหลับเวลาที่เหลือเนะี่ยมีสติไว้ทุกวันเราแบ่งเวลานะแบ่งเวลาไว้15านาที20นาทีไหว้พระสวดมนต์ไม่ต้องยาวไม่ต้องสวดยาวจนหมดเวลานะสวดแลรึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ย พาสมควรเวลาที่เหลือเนี่ยมาฝึกให้จิตใจตั้งมั่นขึ้นมาทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะที่เราถนัดใครถนัดอะไรก็ใช้อนันตแหละทำกรรมฐานอย่างที่เราถนัดแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปพุโทโธพุโทโธรู้ทันจิตหายใจรู้ทันจิตนะพองยุบรู้ทันจิตขยับมือทําจังหวะรู้ทันจิตไป อย่ามัวแต่ไปดูลมหายใจดูมือดูท้องดูเท้ากิเลสไม่ได้อยู่ที่ลมหายใจไม่ได้อยู่ที่มือที่เท้าที่ท้องอะไรหรอกกิเลสอยู่ที่จิตน้่นเราคอยรู้ทันจิตไหมกิเลสจะได้ไม่มีที่อาศัยคอยรู้ทันกิเลสผุดขึ้นมารู้ทันรู้ทันนะแต่เพาะความฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่ของกิเลสตัวอื่นมันอยู่ในตระกูลโมหะ ความฟุ้งซ่านเป็นโมหะความหลงถ้าไม่มีความหลงนจะไม่มีราคาจะไม่มีโทสะนะราคาโทสะเกิดได้ตอนหลงเท่านั้นมีคำ ว, ว่าเท่านั้นขีดเส้นใต้หน่อยนะถ้ามีสติอยู่ราคาโทสะไม่เกิดออกนะหรือเราไม่หลงราคาโทสะไม่เกิดนใจของเราเคยชินที่จะหลงยหลตลอดเวลา อีก ห, อหลงไหมดูหลงผ้าเลื่อนเก้าอี้จะหลงแล้วถ้าตายไปจะไปสุขติหรือทุคติตอนนี้จะไปสุขติจิตเป็นกุศลอยู่นะหมาว่าจะไปเกิดเนี่ยด้วยอะโลพาอาโทสะแต่มีโมหายเกิดด้วยเหตุสองชาตหน้ายังไม่บรรลนะุไม่บรรลุมาผลเนาะ เกิดด้วยเหตุสามอโลพาอโทสามุหะใครทําสมาธิจิตรวมได้บ้างเข้าฌานได้มีไหมไม่ไมีเลยหรอลักษณะของพวกอโลพอาอโทสามุหันเนี่ยนะเข้าฌานได้นะดูได้เลยถ้าคนไหนเข้าฌานได้เนี่ยแสดงว่าเกิดด้วยเหตุสามคนไหนแยกขันได้ เห็นกายขัใจเป็นโคนล่าอันมีไหมพวกนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันพวกเหตุสองนะั้นทาไม่เป็นเงั้นถ้าเราแยกกายแยกใจได้นะโอกาสจะได้มากผลในชีวิตนี้มีเราเกิดมาด้วยเหตุสามอย่างคืออารภณาอาโทษาโมหะโมหะนี่หัวโจกเลยตัวร้ายก็บตัวหลงนี่ให้เอยรู้ทันมันกิเลสไม่กลัวคนเก่งนะ กิเลสกลัวคนรู้ทันอย่างเราบอกว่าเราเก่งเราไม่กลัวกิเลสนะถูกกิเลสนอกทุกลาเลยนะแต่ถ้าเรารู้ทันกิเลสเกิดเรารู้ทันกิเลสจะดับผลงมนเองกิเลสมันไม่ชอบคนรู้ทันยังทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะเรารู้ทันกิเลสไว้เดวใจไหลไปใจไหลนี่กิเลสประเภทโมหะเป็นพ่อเป็นแม่ของกิเลสตัวอื่นเลยถ้ารู้ทันได้ก็ดีถ้ารู้ไม่ทันนะ หลไปสักพักหนึง่งก็เกิดราคะเกิดโทสะขึ้นมาไปรู้ตอนราคะโทสะก็ยังดีถ้านะราคะโทสะเกิดแล้วยังไม่รู้มันก็ครอบ ง, ำองํำคราวนี้เราก็ทําชั่วทางใจก่อนทำชั่วทางใจแล้วก็ออกมาทางกายทางวาจาทีหลังนะความชั่วทางกายทางวาจานะออกไปจากใจนะนี่ถ้าเรามีสติรู้ท่ามทันกิเลสอะไรเกิดในใจเรารู้ทัน ความช่วจะครอบงำใจไม่ได้เราจะไม่ทําผิดทางกายทางวาจาศีลนะอาตโนมั่นจะเกิดเพทุกวันเราแบ่งเวลาทําในรูปแบบนะคอยรู้ทันจิตใจไปทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วค่อยรู้ทันจิตใจไปจิตใจไหลไปเรารู้ใจไหลไปเรารู้ก็ได้สมาธิที่ดีขึ้นมาจิตใจมีกิเลสแล้วเราก็รู้จิตใจมีกิเลสแล้วเราก็รู้เราจะได้ศีลขึ้นมา พอกิเลสเกิดเรารู้ปั๊บกิเลสจะดับกิเลสคล่อม ง, งำจิตไม่ได้ศีลเกิดขึ้นเองงั้นทำในรูปแบบก็ฝึกอย่างนี้แหละให้มากๆแต่ถ้าวันไหนจิตของเราสงบจิตเราตั้งมั่นรู้เนะ ร, รู้ตัวดีอยู่แล้วนะก็ฝึกพัฒนาต่อไปอีกเราดูร่างกายกับใจเป็นคุรานกันแยกกันเห็นร่างกายนั่งอยู่ใจเป็นคนดูร่างกายหายใจอยู่ใจเป็นคนดูค่อยๆฝึกไป อย่างตอนนี้ทุกคนหายใจอยู่รู้สึกไหมหายใจมาตลอดแนละแต่เราลืมเราคอยรู้สึกถึงร่างกายที่หายใจนะอย่าไปจ้องที่ลมหายใจปรับปรับวิธีปฏิบัติสนิดนึ่งนัาปฏิบัติส่วนใหญ่จะไปจ้องลมหายใจใจจะเครียดเครียดหรือซึมไปเลยนิ่งไม่มีสติปัญญาอะไรเราปรับนิดนึงเราเห็นร่างกายหายใจ รู้สึกมันทั่วๆรู้สึกสบายสบายรู้สึกกว้างกว้างเห็นมันหายใจรู้สึกด้วยใจที่ธรรมดาที่สุดแจกเราธรรมดาธรรมดานี่แหละดีที่สุดใช้ใจธรรมดานี่แหละเห็นร่างกายหายใจไปเรื่อยๆแล้วมันจะรู้สึกนะร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งมันจะแยกกันแยกออกจากกันได้ค่อยๆฝึกแล้วต่อไปนั่งนานๆมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาเราก็เห็นอีกความปวดความเมื่อยเป็นของแปลกปลอมไม่ใช่ร่างกายหรอก ร่างกายมันนั่งมาตั้งนานแล้วความปวยความวุ้ยมันมาทีหลังโคละอันกันแล้วมันก็ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะนี่เราก็เริ่มแยกขันออกไปอีกขันหนึ่งเรียกเวทนาร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาความสุขทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งพอ ม, มันปวดมากๆอย่าเพิ่งขยับความปวดมากๆใจมันจะดิ้นรนอยากขยับอยากขยับไม่ใช่ความปวดเป็นความอยาก อันนี้เป็นสังขารเป็นความปรุงงงจิตเป็นอีกขันหนึ่งหรือเกิดความทุรนทุรายใจนะความทุรนทุรายใจก็เป็นอีกขันหนึ่งนะไม่เรียกสังขารขันก็แยกนะนั่งซ้อมแยกไปเรื่อยในรูปแบบ15นาทียีสนาทีนี่แหละทาได้หลายอย่างวันไหนฟุง้งซ่านมากก็สวนมนต์ไหว้พระแล้วนึกถึงพระไปเรื่อยๆนั่งภาวนาพุโทโธพุโทโธไป ได้ความสงบวันไหนสงบพอสมควรแล้วนะก็คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาหรือคอยรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นถ้ารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปมานะจิตจะตั้งมั่นคือไม่เคลื่อนโดยที่ไม่ได้บังคับจะได้สมาธิที่ดีถ้ารู้ทันกิเลสที่เกิดนะกิเลสจะดับโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปดับมันมันดับมันเองเราจะมีศีลอัตโนมัติเกิดขึ้นนะแล้วถ้ากําลังเราพอเราก็เดินปัญญา การเดินปัญญาเริ่มต้นจากการแยกธาตุแยกขันธ์แยกรูปนามรูปมันนั่งอยู่นามคือใจเราเป็นคนรู้รูปมันหายใจออกหายใจเข้าใจของเราเป็นคนรู้ น, นี่นามเป็นตัวรู้นะค่อยๆดูค่อยๆเล่นไปแยกไปเรื่อยๆพอยแยกรูปแยกนามได้นะถ้าเห็นเลยสุขทุกข์ก็อันหนึ่งร่างกายก็อันหนึ่งดีชั่วก็อันหนึ่งใจที่เป็นคนรู้ก็อยู่อันหนึ่งแยกได้ ก็เดิปัญญาต่อก็เห็นเลยแต่ละอันแต่ละอันนะไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของที่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปร่างกายที่หายใจออกเกิดแล้วก็ดับไปร่างกายที่หายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับไปร่างกายที่นั่งอยู่เกิดแล้วก็ดับร่างกายที่ยืนที่เดินนะก็เปลี่ยนอิทยาบทไปเรื่อยๆความสุขความทุกข์เกิดแล้วก็ดับมีความสุขเกิดขึ้นรู้ทันอยู่ชั่วคราวก็หายมีความทุกข์เกิดขึ้นรู้ทันอยู่ชั่วคราวก็หาย เนี่ยตรงที่เราเห็นว่าอะไรเกิดอะไรนั้นดับตรงเนี้ยเราเรียกรถเราเดินวิปัสสนาละนะเห็นเอาไม่ใช่คิดเอาไม่ต้องไปนั่งคิดว่าเที่ยงไม่เที่ยงสุกไม่สุขนะบังคับได้ไม่บังคับได้ไม่ต้องไปคิดหรอกดูของจริงเห็นมันมาแล้วไปมันมาแล้วไปนี่นแหละเรียกว่าการปฏิบัติดูง่ายๆนะแต่มีผลอันยิ่งใหญ่ถึงวันหนึ่งใจจะถอนออกจากกองทุกได้เพราะว่าใจมีปัญญาเห็นเลยขันทั้งหมดเป็นตัวทุก ใจไม่จะถอยออกจากขันน้ำทิ้งขันเองอาศจจ ร, รันโล ก, กระธาตุสันสะเทือนเลยนะเทวดาอนุโมทนาสาธุการเลยมีจริงๆนะ <laughs> เทวดาผีก็มีนะเปรตก็มีจริงพยาบาลเนือหมอบางคนไม่เชื่อนะว่าผีมีจริงแต่ถามกลัวผีไม่กลัวอชอบคนเนะ <laughs> คนไทยกับฝรั่งไม่เหมือนกันกลัวผีคนละแบบนะฝรั่งมันกลัวผีดิบคนไทยมันกลัวผีสุกขางเราไม่กลัวอะไรที่มันไม่มีตัวฝรั่งมันกลัวสิ่งที่มีตัวยังนกลัวจิ้งจกตุ๊กแกนะกลัวมากบางทีแต่บางคนมันชอบเอาไปเลี้ยงมันกลัวสัตว์มากกว่ากลัวผีคนไทยนะกลัวอะไรที่มองไม่เห็นกลัวผี ที่จริงถ้าเห็นเนี่ยสนุกนะไม่มีอะไรหรอกผีที่มาหาเราเนี่ญาติญาติกันนพะ่อเพื่อนๆกันตกทุกข์ได้ยากมานะมาหาเรามาขอความช่วยเหลือเราก็รีบไล่เลยคล้ายๆเราเป็นเศรษฐีนะรวยแล้วยาติพี่น้องยากจนมาหาเราไล่เลยน่าสงสารถ้าเมื่อไหร่ใจเราเกิดสงสารปุ๊บเราจะหายกลัวเลยนี่เคล็ดลับนะงั้นดูเขาในแง่น่าสงสารไหม แล้วถ้าใจเมตตานะไม่กลัวละแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะเห็นนะถ้าคนไหนนั่งภาวนานิดนิดไหนไหนก็เห็นนีชาตินี้จะเห็นไปเรื่อยๆคนไหนนั่งมาพักหนึ่งแล้วไม่เคยเห็นนล้ไม่เห็นหรอกนะไม่ต้องกลัวหรอกถ้าไม่เห็นจะไม่เห็นอีกเลยถ้าเห็นนะแป๊บเดียวก็เห็นแล้วล่ะถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเห็นกิเลสของเราดีที่สุดเห็นผีเห็นสางอะไรก็อย่างนั้นแหละก็ทําให้กลัวบาปเห็นกิเลสของเราดีที่สุด ไม่นั่งไปไม่ต้องกลัวนะเห็นอะไรก็ย้อนมาดูใจย้อนมาดูใจให้เรานั่งไปใจมันสงบนิดหน่อยไม่สงบมากัสายออกข้างนอกไปเห็นผีมันนั่งอยู่ข้างหน้าเราใกล้ๆแบบเอื้อมมือถึงนะเราชอบวาดว่าผีมือยาวใช่ไหมยื่นได้ไม่จำกัดใช่ไหมผีมือยาวก็ได้สั้นก็ได้หรอกนะ มันมันอยู่ที่ไหนมันก็บีบคอเราได้นะถ้ามันจะบีบแล้ว ม, ไมัไม่บีบหรอกมันจะมาบีบทําไมเมื่อเราเห็นผีมันนั่งอยู่เนี่ยเรานั่งพอนาอย่ามัวแต่ดูผีให้ดูใจตัวเองใจกลัวรู้ว่ากลัวนะอันนี้ไม่ต้องกลัวนะหมายถึงว่านี่บอกเผื่อไว้เพราะบางคนพอทําในรูปแบบมันเห็นโน้นเห็นนี่มีใครเห็นบ้างมีไหมเนี่ยนะใช่ไหมยกมือซิยกมือ ม, ออ ม, มีมีอีกไหม ถ้างั้นพวกที่ไม่เห็นออกก็ไม่เห็นออกไม่ต้องกลัวนะแต่ถ้าเห็นแล้วย้อนดูจิตเห็นผีมันนั่งอยู่ดูจิตปุ๊บจิตกลัวดูกลัวกลัวดับปุ๊บย้อนกลับไปดูใหม่ถ้ามันยังอยู่ก็ตัวจริงถ้าจิตสร้างขึ้นมามนจะหายไปเลยตรงที่เราย้อนมาดูจิตนั้นนิมิตจะหายเจวตัวจริงเราก็แผ่ชวนบุญให้ชวนเป็นเพื่อนเราชวนเป็นเพื่อนกัน งั้นทำในรูปแบบทำได้หลายอย่างนะไม่พาส่วนมนนะถ้าฟุ้งซ่านทำสมถะทาความสงบอยู่ในรมันเดียวสงบแล้วไม่สงบมากสายออกมาเกิด น, นิมิตเกิด น, นิมิตห้ย้อนดูใจตัวเองนิมิตก็หายนะถ้าวันนี้สมาธิเราดีสงบพอสมควรแล้วเราก็ซ้อมให้จิตตั้งมั่นรู้ทันจิตที่เคลื่อนรู้ทันจิตที่เคลื่อนไม่ห้ามนะเรก็จะได้สมาธิอีกชนิดหนึ่งสมาธิชนิดจิตตั้งมั่น ได้สมาธิตั้งมั่นแล้วเราก็แยกขันไปเห็นกายส่วนกายเห็นใจส่วนใจสุขทุกข์อยู่ส่วนสุขทุกข์ดีชั่วอยู่ส่วนดีชั่วแยกไปเรื่อยแยกเพื่ออะไรเพื่อจะให้เห็นว่าทุกอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะเกิดได้ก็ดับได้ร่างกายที่หายใจออกเกิดดับร่างกายหายใจเข้าเกิดดับอะไรเงี้ยสุขทุกข์เกิดแล้วก็ดับดีชั่วเกิดแล้วก็ดับจิตก็เกิดดับไปเรื่อยเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งนะ หมุนไปเรื่อยๆการที่เราเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วดับไปดับไป น, ะนั่นเรียกว่าเจริญวิปัสสนาะสุดท้ายใจมันยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาดูบ่อยๆจนมันยอมทีดูทีแรกมันยังไม่ยอมนะมันกลัวอย่างพอมันเริ่มเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เรานคนกลัวเลยนะตัวเราหายไปกลัวแล้วอดทนกลัวให้รู้ว่ากลัวดูจิตเที่ยวไปเลยจิตกลัวนะ ความกลัวก็หายไปแล้วก็ดูต่อไปดูกายดูใจไปทํางานไปเรื่อยสุดท้ายก็ยอมรับความจริงสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับถ้ายอมรับตรงนี้ได้แล้ได้โสาบันนะชีวิตจะดีขึ้นเยอะแยะเลยสบายนะความสุขเกิดขึ้นเราไม่หลงระเริงเรารู้ว่าอยู่ชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่กังวลใจ ร, รู้ว่าอยู่ชั่วคราวนะใจสบายไม่กระเพิ่มขึ้นไม่กระเพิ่มลงเท่าไหร่หรอกก็เพิ่มน้อยนะ ก็เพิ่มตามแรงยึดยึดมากก็เพิ่มมากยึดน้อยก็เพิ่มน้อยไม่ยึดไม่ก็เพิ่มดอกเนี่ยทุกวันก็ฝึกในรูปแบบแบบนี้นะใช้เวลาสิบห้านาที20่นาทีแล้วมันเพิ่มเองพอฝึกไปเรื่อยๆมันเพิ่มเวลาได้เองโดยที่ไม่ต้องบังคับตัวเองสบายใจภาวนานได้นานเวลาที่เหลือทำอะไรเวลาที่เหลือจเจริญสติจเจริญปัญญาอยู่ในชีวิตประจาวัน ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ข้างนอกนี่เพราะงั้นต้องทําให้ได้จะเก่งเฉพาะตอนนั่งอยู่หน้าพระพุทธรูปเนี่ยไม่ได้เรื่องหรอกเพาชีวิตส่วนใหญ่อยู่ข้างนอกเนี้มันต้องฝึกตอนอยู่ในชีวิตประจําวันนี้ให้ได้สักสองสามเดือนก่อนนะมีผู้หญิงคนหนึ่งมาที่วัดเนี่ยไม่เคยมาเป็นพวกที่ชอบไปเข้าคอร์สที่โน้นที่นี่นะปฏิบัติพขามานะเห็นพวกเราเดินไปเดินมาคุยไปกินไปหัวเราะไปนะ เขสงสัยมากเลยพวกเราทําอะไรกันเขาไปถามคุณแม่ชีว่าที่นี่เขาปฏิบัติยังไงไม่เห็นนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรนึกว่ามาที่นี่นะทุกคนเครียดทุกคนที่เข้าสวนสันนิธรรมต้องเนีย่ยถ้าอย่างนี้ได้นะจะทําอะไรทิ้งจะกินน้ำแล้วว่าอย่างนี้นับถือมากเลยนนั่งหัวล้อไปหัวล้อมาไม่ได้ปฏิบัตินะไม่ได้ปฏิบัตินี่มาถามคุณแม่ ที่นี่เขาปฏิบัติยังไงไม่เห็นปฏิบัติเลยคุณแม่บอกเนี่ยสุดยอดของการปฏิบัติละคืปฏิบัติอยู่ในชีวิตจริงๆได้นะมีสมาธิอยู่ในชีวิตจริงๆมีสติอยู่ในชีวิตจริงๆนะมีปัญญาอยู่ในชีวิตจริงๆเนะนี่ยสุดยอดของกรรมฐานนะวิธีที่จะฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ให้มันกระทบไป ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกากระทบสัมผัสใจคิดนึกแห่ทำไปไม่ห้ามมันหรอกแต่พอกระทบอารมณ์แล้วนะจิตเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วเกิดจินดีเกิดจินไร้าเกิดที่จิตเนี่ยให้รู้ทันงั้นเราคอยรู้ทันอยู่ที่จิตอันเดียวนี่เองนะเห็นสาวสวยเดินมาใจชอบรู้ว่าชอบนะเห็นเขาเดินมากัไอ้หนุ่มเกลียดไอ้หนุ่มนั่นเลยนะมันไม่ได้ทําอะไรให้เราซะหน่อยแต่มันหลอกกว่าเกลียดมันรู้ว่าเกลียด เรารู้เข้าไปง่ายๆอย่างเงี้ยนะเข้าแถวจะไปตักอาหารโอ้ของชอบขเรา ร, รออยู่ข้างหน้ามีไข่พะโล่ด้วยสมมติอย่างนี้นะกะเดี๋ยวจะต้องตักไอคนที่หน้าเราเนี้ยมันตักไปซะก่อนนะลูกสุดท้ายแล้วความขับแค้นก็เกิดขึ้นเ <c> น <oughs> รู้ทันเลยทีแรกโลภอยากกินไข่คนอื่นตักไปก่อนแล้วแค้นรู้ว่าแค้นเนี่ยดูอย่างนี้นะดูของจริงอย่างนี้หล เราจะเข้าห้องน้ําแถวยาวเลยนะท้องก็ปวดใจก็กระสับกรนะสายให้รู้ทันใจที่กระสับกรนะสายจนท้องหายปวดไหมไม่หายหรอกคนละเรื่องกันพวกเราก็ดูกันด้วยนะแถว่าเรายาวๆคนไหนหน้าตาทุกข์ทรามานมากเราให้เขาลัดจิวหน่อยก็ได้นะแค่นี้ก็เป็นบุญแล้วละนะเป็นการทําทานนะทําให้เขามีความสุขเนี่ยเราคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยนะ ความรู้สึกเราจะเปลี่ยนไปตามการกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ความรู้สึกมันเปลี่ยนให้คอยรู้ความเปลี่ยนแปลงนั้นแหละตรงนั้นแหละสอนธรรมะเราสุขทุกข์ดีชั่วเกิดขึ้นตรงนั้นแหละสุดท้ายก็จะเห็นเลยสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไม่ได้ธรรมะแล้วขั้นสูงขึ้นไปก็พอวนาแบบเดิมจะ ไ, ได้สักคาคาอนาคานะก็เหมือนเดิมขั้นพระอรหันต์มันจะทวนเข้ามาถึงจิตถึงใจ ใ จ, จะเด่นจิ๋เด่นนะดูจิตแสดงไตรลับสุดท้ายก็วางนะใจเข้าถึงธรรมครูบาอจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อหลว ง, งพุทเทนเขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อสิ้นโลกเหลือธรรมใครเคยอ่านไหมสิ้นโลกเหลือธรรมฟังแล้วน่าตื่นเต้นนะหลวงพ่อได้ยินทีแรกก็ตื่นเต้นเปิดเท่างในเรื่องศีลสมาธิปัญญา อาศัยศีลสมาธิปัญญานะีมีศีลก็เกิดสมาธิง่ายสมาธิก็ฝึกให้ใจตั้งมั่นนะเป็นสมาธิที่จะใช่เดินปัญญาเดินปัญญาก็เห็นธาตุเห็นขันเห็นกายเห็นใจมันทำงานไปมันไม่ใช่เราเราของโชคเราเกิดแล้วก็ดับไปนะศีล ส, สมาธิปัญญาทํางานแก่รอบนะมีปัญญาแก่รอบนะจิตจะปล่อยวางปล่อยวางอะไรปล่อยวางขันห้ารูปนามกายใจของเราเนี่เอง ขันห้ารูปนำกายแจของเรานี้แหละที่เรียกว่าโลกสิ่งที่เรียกว่าโลกในความหมายของพระพุทธศาสนานะีคือขันหานี่เองคือกายคือใจรูปธรรมนามธรรม ท, ท, ที่ประกอบกันเป็นตัวเรานี่แหละที่เรียกว่าโลกสิ้นโลกก็คือจิตมันทิ้งขันนะปล่อยวางทิ้งขันแล้วก็มันเหลือธรรมอยู่มันธรรมนั้นทรงธรรมอยู่จิตนั้นทรงธรรมอยู่มีความสุขที่มหาศาลไม่มีอะไรเหมือนถ้าได้ริมรถสักครั้งหนึ่งนะสัมผัสครั้งแรกเนี่ย สุขปางตายนี่ว่าสุขปางตายนะคนหนึ่งเขาทูกปางตายเราสุกปางตายมันสูงจริงสุกมากสุกจนกระทั่งเบิกบานมากนะแทบไม่กินไม่นอนเลยก็ได้นะอยู่นานนะเคยอ่านพุทธประวัติไหมตอนพระเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะบรรลุเป็นพุทธเจ้าน ะ, สะเสวยมิมติสุขอยู่ตั้ง49วันไม่ได้กินข้าว อยู่ได้4ี่วันมีความสุขนะอยู่วความสุขนะมหาศาลเลยค่อยฝึกนะศาสตร์อย่างนี้ไม่มีที่อื่นหรอกมีอยู่ในคาสอนของพระเจ้านะค่อยๆเรียนไปฟังซีดีไปค่อยภาวนาไปไม่นานก็เป็นหรอกต่อไปส่งกันบ้านอาว่ามาวันสักการ์ขลงพ่อ ก็ดูความกลัวอย่างเดียวตอนกลางคืนนะคะกลัวอะไรเราเห็นผีแล้วยังกลัวอีกเหรอก็ตอนเห็นไม่กลัวแต่หลังจากนั้นปรุงต่อเลยกลัวถูกต้องเลยที่พวกเรากลัวผีนะ่นเรากลัวมันโผล่มาให้เราเห็นนะแต่หลวงพ่อจะบอกความจริงให้ข้อนึงขนาดที่เห็นเนี่ยจะไม่มีใครกลัวเลยเพราะขนาดที่เห็นเนี่ยจิตสรงสมาธิอยู่ไม่กลัวอะไรหรอก แต่พอจิตถอยจากสมาธิมองไม่เห็นคราวนี้เรกลัวละนะงั้นแต่ถ้าอยู่ๆเรากลัวผีอะไรเนี่ย น, นะไม่มีเจอผีหรอกจิตไม่มีสมาธิแต่ขณะจิตมีสมาธิแล้วผีโผล่มาให้เห็นนะไม่กลัวเพราะส่งสมาธิอยู่เราไปกลัวตอนที่ออกจากสมาธิแล้วไม่เห็นแล้วลมันอยู่ตรงไหนวนะอยู่รอบๆรอ บ, รอบนี่แหละนะอยู่ในทุกอนูของอากาศ ครานี้แย่เลยอยู่ตรงไหนก็นกลัวหมดเลยแล้วเจอตัวไหนมัน้งก็เลยก็เจอมาตัวหนึ่งแต่พอเจอเสร็จมันก็ปรุงต่อตอหลังก็พอสวดมรนไปเรื่อยๆค่ะคราวนี้กลัวทุกอนุโมทัศถูกอนุโมทัศ <c oughs> นว่าผีมาหมด <c oughs> นึกว่าผีอยู่รอบด้านเลยอย่ากลัวเลยที่ไหนก็มีผีไม่ต้องกลัวหรอกื <c oughs> ่อคนบอกกลัวตอวนกลางคืนกลางวันไม่กลัวยังไงกลางวันผีตายหมดนะ่ กลางวันก็มีเหมือนกันค่ะมันไม่ได้ไปไหนหรอกอเรากลัวความมืดนะฮะเรากลัวสิ่งที่ไม่เห็นนะไม่รู้ถ้าเห็นอยู่ไม่กลัวไปภาวนานะเราไม่ได้ภาวนาเพื่อเห็นผีนะ่ะภาวนาให้เห็นกิเลสกิเลสอะไรเกิดแล้วรู้ทันเอาะใจก็จะพ้นจากอานาจกิเลสไปลําดับลําดับไปไปทําเอาไปอย่าออกนอกหลวงพ่อคาหนูต้องแบบ มีบริกรรมเพิ่มใช่ไหมคะบริกรรมเป็นเครื่องอยู่ได้นะบริกรรมบริกรรมไปแล้วรู้ทันจิตไปเร่ยบริกรรมเมตตาและปลอดภัยก็รู้สึกว่าภาวนาสบายขึ้นนะคะภาวนาถูกก็สบายนะไม่มีอะไรง่ายดูขันมันทำงา น, นไม่มีตัวเราดูไปเร่ย จนเห็นนีไม่มีตัวเราใครจะทุกข์อ่ะกายมันทุกข์ใจมันทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์นะฝึกไปเรื่อยอ่ะต่อไปตอนตอนเมื่อเช้านี่ก็จะฟุง้งซ่านแล้วก็มันแห้งอะ่ะเสีงเสีงดังหน่อยนีย่ใจมันจะแห้งแห้งอ่ะค่ะ<อ>แต่พอหลวงพ่อเทศตอนเช้ามันก็ดีขึ้นแต่หลังจากนั้นมาก็แห้งแห้งอีกแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นนะแห้งแห้งบางทีก็ดีนะเวลาเราจเจริญปัญญาใบพันทีใจแห้งเนี่ย ถ้าใจแห้งงันก็ทําสมาธิ ท, ธาทําสมาธะให้ชุ่มชืน้นก็ที่ทําอยู่ทุกวันนี้ก็ต่อไปเรื่อยๆทําให้พอเท่านั้นแหละยังไม่เยอะยังไม่พอเ <laughs> ยอะไม่ใช่ว่า<ม>ต้องแค่นั้นแค่นี้นะไปทรมานตัวเองไม่ใช่นะไปถึงร<ม>ู้สึกไปเรื่อยพยายามรู้สึกไปเรื่อยๆสบายๆมันต่อมันก็ุค่อยวางออกวางออก กลับในวัสรการหลวงพ่อค่ะโยมก็ไม่ค่อยสงสัยอะไรมากแล้วตอนนี้แต่มีเรื่องหนึ่งคือช่วงที่นั่งสมาธิบางทีที่จิตหลงไปเรารู้เราก็ไม่สงสัยแต่ตอนที่เราจิตมันไม่หลงแล้วตอนนั้นเราก็ดูกายได้แต่บางทีเราก็จะไปเอ๊ะมันอยู่ความรู้สึกตัวดีไหมพออยู่ความรู้สึกตัวแป๊บนึงมันก็หายไปนี่เรารู้เลยว่าจิตสงสัยนี่เราเห็นย์บอยนีเลยจิตสงสัยค่ะความสงสัยเป็นนิวรณ ให้เรารู้ทันจิตมันสงสัยนิ่รณ์ก็ดับหายสงสัยช่วงนั้นสมมติช่วงนั้นเราก็บริกรรมไปตลอดถ้าเห็นจิตหลงเราก็รู้บางทีเราก็ไปดูกายเราก็เห็นกายแต่บางทีเราไม่อยากดูกายแล้วก็อยากจะโยมไมนไม่มีตัวเราดูลงไปตรงไหนนะไม่มีเราสักอันแต่มีช่วงที่โยม อยู่ตอนนี้อยู่ความรู้สึกตัวนะแล้วความรู้สึกตัวมันก็หายไปบ่อยๆอดีอย่างตรงนี้เห็นเห็นได้บ่อยนะคะอย่างนั้นแะดีเดี๋ยวจิตก็รู้เดี๋ยวจิตก็หลงนะค่ยจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตหลงก็ไม่เที่ยงอย่างนั้นแหละดีดีว่ารู้สึกตัวแล้วไม่หลงเลย เพราะเราจะอยู่ตรงนั้นก็จะเห็นว่ามันไปบ่อยมากอะไรนะคะเราอยู่ตรงนั้นก็เพื่อให้เห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้ห<อ>เห็นว่ามันไม่เที่ยงเราสามารถอยู่ตรงนั้นได้เรื่อยๆดูอยู่ตรงนั้นเรื่อยๆเห็นจิตห<อ>นีไปเรื่อยๆที่เราฝึกให้มีจิตผู้รู้เนี่ยไม่ใช่เพื่อจะเอาจิตผู้รู้นะแต่เพื่อจะให้เห็นว่าจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงจิตหลงก็ไม่เที่ยงถ้าเราไม่มีจิตรู้เรามีแต่จิตหลงมันจะดูไม่ออกเลยไม่เห็นว่าจิตหลงเที่ยง ก็คุณหลวงพค่ะเมื่อเดือนที่แล้วมาส่งกันบ้านหลวงพอ่อหลวงพ่อบอกว่าให้รู้ชัดขึ้นอีกนิดนึง<ม>ก็รู้ชัดขึ้นเห็นหลงชัดขึ้นนะคะ<ม>แล้วก็เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วไปปฏิบัติธรรมแนวอย่าเอ่ยชื้อค<า>่ะเ<ม>จ้าค่ะทีนี้ก็ห่วงอยู่ว่าจะไปเตะเพ่งมาหรือเปล่าแต่ก็รู้สึกว่ามันก็เบาๆนะคะเบาก็เพ่งได้ค่ะบางทีเพ่งไม่เก่งนะเพ่งแล้วเบาเลย ค่ะแล้วจะต้องกลับไปอเมริกาแล้วค่ะก็ขอคันบ้านหลวงพ่อดูร่างกายไปเวลาติดเพ่งดูกายนะค่ะเห็นร่างกายมันทํางานทั้งวันเลยนะเจ้าค่ะไปดูไก่ไหมค่ะเจ้าค่ะจำไว้นะถ้าติดเพ่งดูไก่ไหมเจ้าค่ะถ้าดูจิตจะยิ่งเพ่งมากกว่าเขากลับนมาสการหลวงพ่อค่ะคือตอนนี้หนูเอเจอสภาวะหนึ่งคือคือ มันเหมือนไฟฟ้าชอ็อตทั้งกายเลยอะค่ะไปหาหมอบ้างคือจะเดินจะนั่งมันมันชอ็อตตลอดเวลาเนี่ยจิตแพทย์เขาชอ็อตเป็นนะแล้วจะหยิบอะไรเนี่ยมันมันก็ชอ็อตเราก็ตกใจเราก็เพี้ยงทิ้งมันทําให้คนรอบข้างตกใจไปด้วยอะคนหน่าตกใจอยู่ไม่ทราบ <c oughs> ว่าหนูทาอะไรผิดป่าค่ะไม่ผิดหรอ ก, ก<า>เราบังคีตตัวเรานะมันมีประถุไฟฟ้าเยอะก็มีนะ <c oughs> มันเป็นไฟฟ้าจริงๆเลยนะ บางที่ไฟกระโดดออกจากตัวเราได้เลยคือหนูจับไม่ไผ่ไม่ไผ่ก็เป็นกระแสะไฟฟ้าดูดเข้ามาอีกอะมันสู้กันข้างในอะค่ะพยายามจับดินไว้ให้มันสะเทือนไว้แล้วมันกายมันก็ล้าวไปด้วยอะใช้คอมพิวเตอร์เยอะไหมไม่ได้ใช้ไม่ใช่เหรอไม่เอามาจากไหนไฟอะไปถามหมอดูไปไม่เกี่ยวกับการภาวนาหรอกภาวนาไม่ทําให้เกิดประตูไฟฟ้า <c oughs> แล้วอีกข้อหนึ่งค่ะคือถ้าเราถอดจิตออกข้างนอกค่ะเราจะอายุสั้นลงอันนี้มันสงสัยมานานแล้วค่ะมันจะสั้นทําไมล่ะ <c oughs> เขาบอกว่ามันจะแก่เร็วแล้วก็ตายเร็วอย่าเงี้ย <c oughs> อย่าไปเชื่อเขาแต่ไม่ควรถอด <c oughs> เพราะว่าตอนถอดจิตเรายากร่างไปนะก็คือไม่ได้ใช้ประโยชน์ของร่างกายจิตใจในปัจจุบันนี้ทิ้งมันไปโดยไม่มีคุณค่าอะไรแล้ว ถ้าเราเผลอแล้วมาหลุดไปแล้วคะหลุดไปก็ไม่เป็นไรหรอกมันห้ามไม่ได้แต่อย่าไปบ่อยใจมันชอบแล้สิ <c oughs> ถ้าใจมันชอบมันก็ไปบ่อยไม่ดีนะบางคนไปแล้วกลับไม่ได้นะหรือไปแล้วต่อไปแยกไม่ออกว่าสิ่งที่เห็นนะี่ยมันของจริงหรือว่าเป็นของปลอมสุดท้ายบ้าก็มีนะงั้นโอกาสบ้ามีสูงนะภาวนาให้มันมีสติให้จิตใจอยู่กับเนื้กับตัวไว้ดีที่สุดปลอดภัยนะ ขอเรียนถามหลวงพ่อสามคำถามนะครับคำถามแรกคือโยนิโสมนสิการมีลักษณะอย่างไงคือผมไม่เข้าใจโยนิโสมนสิการนะนนรนะคือการใส่ใจอย่างแยบขายหมายถึงเป็นมุมมองของจิตนะจิตมารู้จักมองนะรู้จักประเมินอย่างเราภาวนาอยู่เนี่ยถ้าเรามีโยนิโสมนสิการเนี่ยเราจะรู้ว่าไอ้ที่เราภาวนาอยู่เนี่ยยังอยู่ในเส้นทางที่พระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่าโยนิโสมนสิการไม่ใช่คิดเอาเองนะ แต่เป็นการมองโดยที่มีคําสอนของพระเจ้าเป็นบรรทัด ฐ, ฐานอยูนะ่เช่นเราพอนาแล้วจิตเรามีความสุขมากเลยกี่วันกี่วันก็มีความสุขอย่างเงี้ยว่างสบายอย่างเงี้ยถ้ามีโยนิโสมนสิการจริงเนี่ยจะเฉลียวใจว่าเอ๊ะมันผิดแล้วนะพระเจ้าว่ามันไม่เที่ยงนี่มันเที่ยงพระเจ้าว่ามันเป็นทุกข์มันเห็นแต่สุขอย่างเงี้ยพระเจ้าว่าบังคับไม่ได้นี่เหมือนบังคับได้ก็มีอะไรผิดแล้วค่อยๆไปสังเกตเอา โยน้สงมนาสิกขาไม่ใช่นั่งคิดธรรมะทั้งวันนะแน่นนฟุง้งซ่านครับอย่างที่สองเลยก็คือสมมติว่าเวลามีอารมณ์โกรธขึ้นมาก็รู้แล้วว่ามีอารมณ์โกรธแต่อารมณ์โกรธไม่หายไปถ้าเรารูแล้วเออมันก็ยังไม่หายไปเราควรจะทำยังไงต่อครับให้รู้ว่าอยากหายเรามีโกรดซ้อนโกรธทีแรกเรามีความโกรธเพราะาเราเห็นคนนี้เราเกลียดมันนะโกรธขึ้นมา พอเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นเราอยากให้ความโกรธนี้หายไปเราไม่ชอบให้ความโกรธนี้นี่เรามีความโกรธอีกอันหนึ่งเกิดขึ้นมาคล้ายๆเติมเชื้อเพลิงให้ความโกรธไปเรื่อยๆให้เรารู้ทันว่าใจไม่ชอบใจไม่เป็นกลางใจอยากให้หายโกรธนี่รู้ทันตรงนี้นะจะหายเลยถ้าสติตัวจริงเกิดนะใจตั้งมั่นจริงๆนะขาดทันทีสติเกิดมีสมาธิตั้งมั่นดูอยู่กิเลสดับทันที ไม่มีช่วงยาวนานเลยถ้ายังยาวนานแสดงว่าสติสมาธิของเรายังไม่ดีครับข้อ3คือคือมีคนไข้บางคนนะครับเขาจะมาปฏิบัติธรรมหรือว่ามาเจริญสติแล้วกลับไปมีอาการหูแว่ประสาทหลอนอยากจะถามหลวงพ่อว่าถ้าคนบางคนที่มาปฏิบัติธรรมหรือว่ามาฝึกเนี้ยต่ออาจจะมีความผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้นแล้วมีหูแว่ประสาทหลอนเราควรให้เขากลับมาควใครให้เขาเลิกปฏิบัติไป ทำผิดแล้วล่ะทำผิดแล้วห้ามขยันให้เลิกไปก่อนแล้วไปฟังซีดีหลวงพ่อประโมทเยอะๆมันภาวนาผิดแล้วสิมันถึงหูแว่วนะแล้วพรานาส่วนมากไปน้อมจิตทําให้เบลอๆ อ, อ, อ, อะไรเงี้ยหรือซึมๆหรือบางคนก็นทําให้เครียดมากๆมันเพี้ยนไปเลยถ้ามีสติรู้เนื้อรู้ตัวจริงๆไม่เพี้ยนหรอกนะอย่าไปโทษนะว่าธรรมะพระพุทธเจ้าทําให้ขนบา่า พวกนี้ไม่เข้าใจหรอกเปเดินจิตผิดนะเพราะงะั้นถ้าเข้าผิดนะคำแนะนำที่ดีที่สุดเลอเลิกไปก่อนนะเลิกไปก่อนรักษาให้หายแล้วอย่ากลับไปทำอีกให้ไปฟังซีดีหลวงพ่อเยอะๆก่อนพอรู้ว่าการปฏิบัติเขาทำยังไงนะไม่บ้าหรอกแต่บางคนมันเป็นทางร่างกายก็มีนะร่างกายมี เนื้อ ง, งอกมีจุดอะไรในสมองอะไรเนี่ยแล้วเพี้ยนเพียนไปนั้นต้องรักษาทางฟิสิกส์ข้อนะคนละเรื่องกันการนมัส ก, การครับหลวงพ่อครับจะมาส่งกันบ้านนะครับคือมีความกลัวอยู่ลึกๆว่าที่ปฏิบัติมาจะยังไม่ถูกต้องนะครับกลัวก็ดีเหมือนกันครับคอยรู้สึกเห็นกายกระใจเป็นคนละอันไหมเห็นครับเห็นแล้วตอนนี้บังคับอยู่ไหมก็อาจจะนิดๆนะครับ บังคับอยู่มันจะแน่นๆนะครับผมปกติมันเห็นกายกับใจแยกกันไหมหรือนานๆแยกดีก็เห็นบ่อยครับเออบ่ยดีบ่อยแล้วใจของเราสบายๆไหมเห็นอย่างสบายไหมก็สบายครับเออถ้าเห็นสบายๆเห็นได้ใจธรรมดานะนั่นแหละดีทําถูกครับเห็นไม่ร่างกายไม่ใช่เราเห็นครับเห็นไหมความสุขความทุกข์มันก็ไม่ใช่ตัวเราครับเออนั่นแหละไปแยกไปเลย่อยนะครับกลับขอบพระคุณครับ นวัสการมขอหลวงพ่อคือว่าเหมือนช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาค่ะมันมันเหมือนมีอะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนไปอะค่ะแล้วก็เหมือนมันรู้สึกตัวมากขึ้นเม่อไหล่มันดีแล้วขันแมันแยกใช่แล้วก็เหมือนม่นมีตอนหนึ่งที่นั่งอยู่ในโต๊ะจีนอย่างเงี้ยค่ะคนคุยกันแล้วเหมือนแบบตัวหนูก็เหมือนถอยออกมาว่ามันแบบมันเป็นอย่างนั้นเองไปตามเหตุปัจจัยไม่ได้เกี่ยวกับหนูแล้วข้างในมันก็กลับมาดูตัวเองแล้วข้างในมันก็แบบพิบขึ้นมาว่า มันไม่มีอะไรเป็นหนูเลยตั้งแต่ต้นนั่นแหละถูกแล้วห น, หนูอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยเหนูไม่มีหรอกแล้วก็มันก็เคยเป็นอย่างนี้แล้วหนูก็นั่งร้องไห้อยู่คนเดียวแบบใจมันยังไม่ยอมไงใจมันยังเสียดายอยู่ <c oughs> ยังห่วง<ต>รัแบบอรตัวเองพอหลังๆมันก็เหมือนแบบเริ่มเห็นอย่างนี้บ่อยๆแล้วก็เหมือนภาพที่เห็นเสียงที่ได้ยินมันก็ไม่เหมือนเดิมอะคะ่ะ มันเหมือนเป็นสิ่งสิ่งหนึงที่เข้ามากระทบแล้วเหมือนใช่เราก็แค่ไปแปลค่ามันแล้วแบบใช่แต่เวลาเราอยู่กับคนอื่นนะเราก็อย่าไปคุยแบบนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวเขาไม่เข้าใจเขาจับเราไปหาหมอ <c oughs> <c oughs> ในโลกน่ะมันมีแต่คนบ้านะทีนี้พอเราหายบ้านะคนบ้าทั้งหลายมันจะลงมัติว่าเราบ้าเราเหมือนบางทีหนูก็ไม่รู้ว่าบางทีพอรู้สึกอย่างนั้นแล้วหนูก็จะกลายเป็นแบบเหมือนช็อกๆไปว่า หนูควรจะทําอะไรต่อเพราะคิดไม่ออกว่าเราควรจะพูดอะไรควรจะทำอะไรหนูมี <ทำ S 2> หน้าที่อะไรก็ทํามันนั้นเราจะทำตามหน้าที่แล้วต่อไปนี้นะมีหน้าที่ต้องคุยกับเขาก็คุยกลมกลืนไปอย่าให้เขาตกใจสงสารเขาแล้วหนูควรจะทําอะไรต่อไหมคะเนี่ยทําอย่างที่บอกแล้วนะใช้ชีวิตธรมธรมดาธรรมดาเนี่ยอยู่กับโลกไปตามปกตินั่นแหละมีหน้าที่อะไรก็ทําไปแต่ทําแบบคนมีสติมีปัญญาเรารู้เลยว่ามันเหมือนฝันอยู่แท้ๆเลย อของจริงไม่เจอเลยนะขอบคุณค่ะกาดเนมาสการหลวงพ่อค่ะคือปัจจุบันรู้สึกว่าตัวเองมีสติในชีวิตประจาวันมากขึ้นแต่ด้วยงานที่แบบต้องเกี่ยวข้องกับคนค่อนข้างมากแล้วมันมันรู้ว่าใจกระทบแรงแล้วก็ตัวเองเป็นคนที่พูดตรงนะคะแต่ว่าก็จะกลัวเสมอว่าจะไปกระทบใจเขา แต่ก็พยายามทําดีที่สุดแล้วก็กลับมาบ้านก็รู้สึกถึงความจําเป็นของการปฏิบัติตามรูปแบบที่คิดว่ามันจะทําให้เราเ ม, มีสติจริงๆนะคะมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ต้องเพิ่มอะไรหรือเปล่าะคะก็ทําถูกอยู่นะแต่ว่าการพูดตรงเนี่ยไม่ใช่สัมมาวจาน ะ, ะองค์ประกอบของสัมมาวจานะพูดความจริงใช่ไหมพูดด้วยเมตตาพูดสุภาพ พูดหมอกับกาลเทศะพูดเพราะเห็นว่ามีประโยชน์อะไรเงื่อนไขตรงอย่างเดียวไม่ใช่นะงั่นเราต้องปรับความคิดตรงนี้ซนะไม่งั้นเดี๋ยวเราถือเราเป็นคนตรงลุยแหลกเลยไม่ได้น ะ, ะทำให้คนอื่นเดือดร้อนเดี๋ยวเขาเกลียดเราค่ขานะขอบพระคุณค่ะระัศ ก, การหลวงพ่อครับเมื่อไงอส่งกันบ้านครับหลวงพ่อไปดูอนัตตาก็รู้สึก พอปล่อยปุ๊บมันก็ฟุ้งครับจธรรมดานะถ้าเรากดไว้นานพอปล่อยแล้วฟุง้งเป็นเรื่องปกติกจิตก็ปรุงแต่งก็เห็นมันปุงแต่งดูเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยเป็นกุศลมั่งคุศลมั่งืแต่บางทีก็ยังละเมิดศีลนะครับอืตามไม่ทัน <laughs> เอาให้ทันสิ <laughs> <laughs> ตอนนี้ก็พยายามจะดูเวทนาฮะว่ามันมาแล้วชอบหรือไม่ชอบอะไรอย่างนี้ครับอื ก็พยายามจะรักษาศีลให้ดีขึ้นครับดีดีรักษาให้ได้นะสมาธิเจะบริบูรณ์ขึ้นมายังอยู่ในรูทางนะครับอยู่แต่มันฟุ้งไปหน่อยขอบพระคุณมากครับเนี่ยมีคนหนึ่งนะเมื่อกี้ส่งกันบ้านหลวงพ่อถามว่าไปทําอะไรมาเดี๋ยวนี้จิตใจพัฒนาขึ้นเข้มแข็งเติบโตขึ้นบอกคราวก่อนหลวงพ่อแนะนําให้ไปอารัธนาศีศมะลมาลายหลายรอบไม่ต้องไปสวดอะไรหรอกนะ ตื่นนนขึ้นมาก็ตั้งใจว่าเราจะรักษาศีลห้าก่อนจะกินข้าวเช้าก่อนจะกินข้าวกลางวันก่อนจะกินข้าวเย็นก่อนจะนอนตั้งใจเรารักษาศีลห้าเนี่ยเขาก็ทําตามนะปรากฏพอตั้งใจอย่างนี้บ่อยๆนะจิตมันมีพลังขึ้นมานะพอนึกถึงศีล น, นะจิตเกิดปีติได้สมาธิขึ้นมาเลยนะงั้นรักษาศีลน่ะดีและถ้าศีลไม่มีสมาธิก็เสื่อม การนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะแม่ชีได้การบ้านจากหลวงพ่อค่ะว่าให้ไปดูไปให้ดูให้เห็นความคิดมันดับอืแม่ชีก็ส่งการบ้านหลวงพ่อว่าแม่ชีเห็นความคิดมันหมุนติ้วติ้วอยู่ในจิตนี่เจ้าค่ะตัวเนี้ตัวร้ายเลยนะมันเขี้ยวเข็นมันทรมานเราทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะแล้วแม่ชีก็รู้สึกทุกข์แต่แม่ชีก็ทำนะเจ้าค่ะก็เห็นมันหมุนอยู่ตลอดเวลานี่แหละต่อไปเราจะพูดน้อยลงนะค่ะเริ่มเริ่มเราจะยุ่งกับคนอื่นน้อยลงค่ะ แม่ชีควรทํำยังไงต่อใช่ไหมทำละเอียดแสดงเห็นไมว่าสมาธิดีขึ้นค่จิตใจอยู่กับตัวเองมากขึ้นมีแรงมากขึ้นค่ะแม่ชีไปรู้ทันนะตัวที่ล้างผ่านมากที่สุดก็คือตัวคิดฟุ้งซ่านนั่นแหละแค่แค่เห็นมันใช่ไหมเจ้าคะแค่เห็นนะอย่าไปบังคับมันแค่เห็นนะมันดีขึ้นเองแหละแล้วถ้าทุกข์แล้วเบื่อแล้วเหนื่อยเนี่ยจิตมันเหนื่อยเนี่ยแม่ชีหลบมาที่ลมหายใจบ้างได้ไหมเจ้าคะเวลาภาวนาแล้วเหนื่อยก็กลับมาทําสมถะ พอมีแรงแล้วเราก็ไม่ติดสมถานั้นก็กลับมาดูใหมเห็นว่ามันหมุนติ้ติ้วติ้วทั้งวันเลยมีแต่ทุกนอกจากทุกไม่มีอะไรเลยเจ้าค่ะเห็นตัวนี้อยู่เจ้าค่ะนั่นแหละเห็นอย่างนั้นแลดีนะจะเจริญขึ้นคค่ะกลเมื่อไม่ฉีเธอโดนความคิดเนี้ลากไปตลอดเวลานะยังไม่พัฒนาหรอกกี่ปีก็ไม่พัฒนานะถ้าเอาชนะตัวนี้ไม่ได้คนสุดท้ายละสาธุเจ้าค่ะ ครับนรัสการครับหลวงพ่อก็เพิ่งเพิ่งไปบวชภาคเรืดูลอสนะครับแล้วก็ออกมาครับก็มีคําถามตอนแรกก็มีหลายคําถามแต่ว่าก็หาคําตอบได้ด้วยตัวเองนะครับแต่บางที่ดีหลวงพ่อแต่มีคําถามหนึงที่ดูไม่ได้ครับเกี่ยวกับไปบวชมาเขาให้ดูเกี่ยวกับศูนย์กลางกายครับเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วแล้วใจเป็นนิ่งตรงนั้นนะอืแต่ผมก็ไม่เห็นมีอะไรแต่ว่าก็ถ้าคนที่เขาทําตามก็จะเห็นนะครับแต่ว่าผม จิตหลิจนิสัยคนไม่เหมือนกันนะไม่ใช่ทุกคนต้องเห็นหรอกถ้าเห็นก็ได้สมถะนะเป็นสมถะท่านั้ น, นให้ดูใจของเรานะอย่าไปดูสะดือก <c oughs> ิเลสเกิดที่ใจนี่แหละแต่เหมือนกับถ้าเราทําไปตามนั้นเราก็จะเป็นขั้นขั้นขั้น ข, นของเขาไปครับเป็นสมถะมันจะเห็นแสงเห็นดวงเห็นอนั่นแหละสมถะทั้งหมดเลยอครับก็มาทํำวิปัสสนานะ คำสอนของพระเจ้าไม่ได้อยู่แค่สมถะหรอกน ะ, ะารรมวิปั ส, สนาแล้ววันหนึ่งจะรู้จักพระทเจ้าตัวจริงนะครับขอโอกาสหลวงพ่ออีกนิด น, นึงครับก็พาเพื่อมาครั้งแรกเพื่อเป็นคนลังเลนะครับจะทำยังไงเดี๋ยวเคยรู้จักแต่คนลังกาที่พวกลังเลว่มามาเ <c oughs> นี่ยครับก็ฮะแล้จะให้ทําอะไรเราก็เข้าลังเล <c oughs> ห้ามมันได้จะที่ไหนละลัลงเล นมาสการคะ่ะหลวงพ่อหนูสังเกตไหมใจมันฟุ้งซ่านไปนะมันฟุ้งไปแล้วมันมีสุขก็ให้รู้ทันนะค่ะคือฟุ้งไปแล้วมันเป็นทุกข์ขึ้นมาก็ให้รู้ทันให้กันบ้านหนูนะค่ะใจเป็นสุขก็รู้ใจเป็นทุกข์ก็รู้ใจเฉยๆก็รู้ให้แค่นี้แหละไปทำเอาสามัญ น, นี้นะค่ะเวลามีความสุขก็รู้ทันเวลาใจเป็นทุกข์ก็รู้ทันใจเฉยๆก็รู้ทันหัดรู้บ่อยๆค่ะหลวงพ่อคะ่ะคือ เวลาหนูที่จะต้องตัดสินใจค่ะคือมันเหมือนแบบมันกลัวการตัดสินใจแบบหนูไปหาที่หลวงพ่อบอกอ่ะเดี๋ยวมันตัดสินใจดีขึ้นนะค่ะสติสมาธิพัญยาดีขึ้นก็ตัดสินใจเก่งค่ะบางทีมีคำตอบแต่ยังไม่ทันพูดกับใครเลยก็รู้ละค่ะขอบคุณค่คะน่าหมดเวลาสิบโมงชิญกลับบ้าน